ท่านฝั่งที่คุณร้งค่ะประมารชาคาวรโรได้พบกับท่านทั้งหลายผ่านไปในช่วงก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่วัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบนะคะตอนนี้จากวันาป่าพงลำลูกกาคลองสิบจะพาท่านไปนู่นเลยค่ะอุดรธานีอำเภอหนองหานไปที่วัดป่าดอนายสุขจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะพบกับพระพยัยบุอ์อภิปุนโนนะคะน้อมสักการกระทั น, ค, น, นค่ะใช่เชิญปอค่ะก็ะอยู่ถึงอุดรแต่ด้วยเทคโนโลยีก็ทําให้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 มาขายวัตถุมงคลเป็นต้นนะคะบางทีบอกว่าเนี่ยเป็นขนมของเทพเจ้าเนี่ยนะขายเป็นกล่องขายดีขายดีเป็นทูกกลิ่นที่เทพเจ้าในชอบออกลิ่นนี้สําหรับเทพเจ้าองค์นี้อกลิ่นนี้สําหรับคนเกิดวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ดิฉันเข่ามาที่ว่ามีอาหารของเทพเจ้าใส่กล่องขายแล้วขายดีทีนี้ทราบว่าในการประเภทเนี้ยคนทํารวยมากมก็จึง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 ถ้าสิ่งนั้นเอามากินดูแล้วสบายใจไหมหรือว่าชีวิตเราดีขึ้นไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้แน่นอนค่ะเพะฉะนั้นก็เะไอ้สิ่งอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้อะหรือว่า่าปกปิดบัไว้ทํากันลับๆล่อๆอย่างเงี้ยสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปเองอเป็นเป็นลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเมื่อเปิดเผย อ, ออกมาเนี่ยยิ่งจะเจริญแต่อะไรที่ยิ่งปกปิดเอาไว้เนี่ ย, ย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 ข้อมูลนี้ดีการมีคุณทำอะไรที่ดีๆสอนเรื่องความเป็นคน อ, อน่อนน้อมถ่อมตัวการมีความกระตันยูพวกนี้เราต้องสอนนะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถามว่า ค, คุณสอนเนี่ยคุณสอนยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณต้องเอาโทรศัพท์ให้แต่คุณต้องเอากุณธรรมในการเป็นคนอดทนให้คุณธรรมในการเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนให้ถามว่าตรงนี้มันให้กันยังไงมันให้ทางผัสสะ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 เพราะฉะนั้นอันที่สองเนี่ยผู้รู้แจ้งพูดถึงห้ามเสียจากบาปห้ามเสียจากบาปนี่ก็คือว่าอะไรที่ไม่ดีไม่ดีอย่าให้เขาทำอย่างเช่นว่าเสพยาเสพติดเพื่อนชั่วการไปทาไปในที่อกโจรตรงนี้เราต้องบอกเขาไม่ให้เขาทำไม่ให้เขามีอันที่สามก็คือว่าให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้เถือหนังสือส่งไปโรงเรียน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 ถึงขนาดพระพุทธองค์ที่ฉันจำได้ตอนเรียนหนังสือ ว, ว่ามีลูกในชื่อราหุนแปลว่าห่วงแน่นอนเ่ะพ่อแม่ใครๆก็ต้องรักลูกคุณโยมติ๋วเพราะว่าเกิดมาจากาเลือดในอกของตนนะเกิด <c oughs> มาจากมีคือเนื้อและเลือด เ, อเนื้อและกระดูกของลูกทั้งหมดนี้มีมาดาปิดาเป็นแหล่งเกิดมันก็ต้อง <c oughs> รักเป็นธรรมดาแล้วก็ <c oughs> ใ, ให้รักตามธรรมอย่างนี้แหละ ะค่ ะ, คะก็เป็นของดีที่ฝากไว้ในาการสัมสน์สัมทนาโดยพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุญ โ, โนจากช่วงเวลาที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะนะคะนวัส ก, การขอบพระคุณค่ะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะส่วนท่านที่สนใจการแสดงดนตรีไทยพันน า, นาที่ฉันได้พูดไปเมื่อวันสองวันนี้ย้ำอีกครั้งนะคะคุณหมอธรรรงรัตแก้วการท่านฝากมาว่าจะแสดงกัรในเรื่องสิริปริตธรรม